ทีนี้พอก็ให้ขึ้นบนปร า, าสาทเนี่ยนะแล้วก็รับครั้นพระราชทานพระราชสาร น, นี้แล้วก็ทรงนํา ร, ราชดําริว่าพระศาสดาเสด็จไปสู่ปัจจันตชนบททรงนมัสการด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วก็เสด็จกลับไปกราบเลยนะกราบ ง, งามๆเลยนะต่อต่อพระราชสารนั้นๆนะนะนะส่วนข้าราชการภายในทั้งหลายก็ตกแต่งหนทางโดยทํานองนั้นเทียวนําไปซึ่งพระราชบารญญัติ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 ทรงพิจารณาคิจที่ควรทําแก่อัมมาตทั้งหลายผู้มาพร้อมกับพระราชบัญญัติทรงถือพระราชบัญญัติเสด็จขึ้นสู่พระปราสาสและตรัสว่าใครๆอย่าเข้ามาในที่นี้ทรงให้ทําการรักษาที่พัทธวานทรงเปิดพระศีหบัญชรเปิดหน้าต่างวางพระราชบัญญัติบนที่พระบันทมสูงส่วนพระองค์ประทับนั่งบนอาสนะต่ําทรงทําลายรอยประทับ เรื่องเครื่องห่อหุ้มเมื่อทรงเปิดโดยลำดับจำเดิมแต่หีบเสือลำแพนจนเห็นหีบแก่นจันรทรงราชดลเมริว่าขึ้นชื่อว่ามหาบริวานนี้จกไม่มีแกรัตนะอื่นรัตนะที่ควรฟังได้เกิดขึ้นแล้วในมัชชิมะประเทศแน่แท้อันนี้แสดงว่าไม่ใช่ดูด้วยตาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรฟังใช่ไหมลดับนั้นก็เปิดหีบนั้นแล้วก็ทาลายรอยประทับ พ, พระราชลัญชกรเนี่ย ลันจนะเนี่ยก็คือลัญชกรนั่นแหละทรงเปิดผ้ากำพลอันละเอียดทั้งสองข้างเห็นแผ่นทองคำพระองค์ทรงคลี่แผ่นทองคํานั้นออกดําเรก ว, ว่าพระอักษรทั้งหลายน่าพอใจจริงหนะอนนะนะดีนะไม่ใช่ลายมือตะมาเนนะีมันเสร็จแน่ <c oughs> แตอนนี้ลายมือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยงามมากเลยนะมีหัวเท่ากันมีระเบียบเรียบร้อยสี่มุมดีอันนี้ก็แสดงว่าเหมือนกับตัวพิมพ์เลยนะเหมือนกับตัวพิมพ์เลยงามมาก ทรงประรบเพื่อจะทรงอ่านจําเดิมแต่ต้นพระโสมนัสมีกําลังได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ที่ทรงอ่านแล้ว อ, อ, อ่านอีกซึ่งพระพุทธคุณทั้งหลายอ่านพุทธคุณแล้วก็โสมนัสดีใจอ่านแล้วอ่านอีกว่าอีธาตถาคโตโลเกพระตถ า, าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกขุมพะโลมาเก้าหมื่เก้าื่นเก้าพันขุมก็มีปลายพะโลมาชาติชูชันนะขนลุกเลยนะ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 เรานี้ได้ฟังพระศาสนาที่หาได้โดยยากนี้แม้โดยแสนโกรธกับเพราะอาศัยภาษาหายพอได้อ่านพระธรรมแล้วก็ปีติมา ก, กนะหลายคนก็บอกว่าอ่านพระธรรมแล้วปีติมากเลยเขาว่ายิ่งอ่านบทไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วอ่านเข้าใจนะปีติมากของของใครเราในห้องเราอ่านแล้วไม่เคยมีปีติมีไหมใครมีบ้างอ่านแล้วไม่เคยดีใจใปีติอ่านแล้วก็เฉยๆหมอเป็นไงอ่านปีติมั้งเ้ย กำลังนึกว่าเคยมีปีตีบ้างหรือเปล่ารอบแรกก็ปีติแต่รอบทีสองรอบปีสามันจะไม่ปีตีนะดะงว่าโรคเบื่อง่ายแล้ บ, บางคนอ่านถ้าถ้าทาแล้วก็ปีตีนะแต่ก็มีอ่านแล้วก็เครียดเลยก็มีเหมือนกันอ่านอ่านบนะปตีตีแห้งแรงมากเลยนะอ่านแล้วเครียดเลยนะ ก็ไม่นึกแบบพระเจ้าพิมพ์พิศาแบบพระเจ้าปกุศสาติว่าโหเนี่ยคาสอนนี่หาได้ยากนะตลอดแสนโกดกับเนี่ยนะดีใจที่ได้อ่านคำสอนได้อ่านคําสอนที่หาได้ยากตลอดแสนโกดกับพระองค์เมือ่อไม่อาจจะทรงอ่านต่อไปก็ประทับนั่งจนกว่าปีติจะสงบเออบางคนนี่เขาเป็นเอาขนาดนั้นเลยนะเขาอ่านแล้วก็ปีติมากเลยนะเขาต้องปิดหนังสือไว้ก่อนให้ปีติมันหายแล้วค่อยอ่านต่อนะบางคนก็ปีติขนาดนั้น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 แม้ในพระสังฆคุณนั้นพระองค์งก็ทรงมีพระปีติอย่างนั้นเหมือนกันอ่านพุทธคุณก็ปีติอ่านรธรรมคุณก็ปีติอ่านพระสังฆคุณก็ปีติใครอ่านเทระคถาเทรีคถาแล้วปีติบ้างหรืนนะนั่นแหละครัเราว่าแสดงว่าอ่านสังฆคุณและปีตินี่แหละลำดับนั้นพระองค์งก็ทรงอ่านอาณาปานาสติกรรมฐานในลําดับสุดท้ายทรงยังชานหมดสี่และหมวดหให้เกิดขึ้นอ่านนี้ไม่ได้อ่านธรรมนานะอ่านแล้วกาหนดลมหายใจได้ชาน4ี่ฌานห้าเลยนะ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 เจ้าเป็นผู้ที่คอยตัดสินคดีนี้ก็ไม่วินิจฉัยอะไรสักอย่างและพระราชาเนี่ยจงทรงพระราชทานพระราชบรญรการที่พระสหายส่งมาให้แก่ผู้รับไปเถิดบอกเอาไปทิ้งเถอดบรรการนั้นทำไมเนี่ยนะอ่านแล้วก็ปิดวังตั้ง15้าวันอบอกว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายย่อมทรงพยายามเพื่อจะหลอกลวงแม้ด้วยเครื่องบรัญรการเพื่อยึดอาราชสมบัติของพระราชาบางพระองค์ให้แก่ตน พระราชาของพวกเราเนี่ยทรงทำอะไรเนาเนี่ยนะก็คเคยคิดว่าปกติเนี่ยบางทีมันก็เป็นแผนอีกวิธีหนึ่งใช่แผนส่งเครื่องบรรณาการเนี่ยนะก็เพื่อจะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่นี่ไม่ใช่พระราชาทรงสดับเสียงตะโกนแล้วก็พระราชลำงเ ร, รว่าเราจะทำ ท, ทรงไว้ซึ่งราชสมบัติหรือภาษาสดาเอาอะไรดีเนี่ย ลำดับนั้นพระองค์ก็มีพระราชะดำริว่าประธานและมหาอมาตย์ของประธานย่อมไม่อาจเพื่อจะนับความที่เราสเสวยราชสมบัติได้เราจักทำรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาก็แปลว่าเนี่ยจะประโยชน์อะไรด้วยการครองราชมันั้นนะก็เลยจับพระแสงดาบที่ทรงไว้บนที่บันทมนั่นแหละตัดพระเคศสาแล้วก็เปิดสีหบัญชรโยนผมเนี่ยลงไปนะพร้อมกับจุรนะจุธามณี ให้ตกลงในท่ามกลางบริษัวทวัานทั้งหลายจงถือเอากรรมเกศานี้ครองราชไปเถิดเอาผมนี่ไปปกครองบ้านเมืองก็แล้วกันมหาชนก็ทําพระเกศานั้นน่ขึ้นแล้วก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าแต่สมมติเทพพระราชาทั้งหลายเชื่อว่าได้พระราชบัญญัติจากสํานักพระสหายแล้วย่อมเป็นเช่นกับพระองค์พระเกศาและพระมสุก ประมาณสององคุลีแม่ของพระราชาได้มีแล้วได้ยินว่าพระเกษาและพระมสุเกิดเป็นเช่นกับบรณประชาของพระโพธิสัตว์นั่นแหลเป็นคนพิเศษนะก็คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเลยลําดับนั้นก็ส่ ง, สงมหาดเล็กประจําพระองค์ให้ไปนําผ้าย้อมน้ําฝาดกาสาวพัด ส, สองผืนบาดดินจากตลาดแล้วก็อุทิศเจาะจงต่อพระาศาสดาว่าพระอรหันต์เหล่าใดในโลกเราบวชอุทิศพระอรหันต์เหล่านั้นดังนี้ ก็นุ่งหม่มนุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่งห่มพื้นหนึ่งสะพายบาดถือพระถือทานพระกรเสด็จจงกรมไปมาสองสาครั้งบนพื้นใหญ่ด้วยพระราชดำริว่าบรรประชาของเราเนี่ยงามหรือไม่ลองเดินดูนะสมบาตรใส่จีวรแล้วก็ลองเดินดูที่เป็นยังไงก็ทราบว่าบรรประชาของเรางามก็เปิดพระทวารเสด็จลงจากพระปราศาส์ก็ประชาชนทั้งหลายเห็นนางเอ๋อ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 ชาวพนครทั้งหมดและพลพลกายทั้งหลายพากาันแวดล้อมกุลบุตรผู้ศักว่าเสด็จลงสู่พื้นแผ่นดินแล้วร้องเป็นเสียงเดียวกันนะนะก็มีการประชุมบ้านเมืองทั้งหมดนะนะฝ่ายอมมาทั้งหลายกราบทูลแด่กุลบุตรนั้นว่าข้าแต่เทวะธรรมดาพระราชาทั้งหลายในมัชชิมะประเทศทรงมีมายา ม, มากขอพระองค์ได้โปรดส่งพระราชสารไปว่าขึ้นชื่อว่าพระพุทธรัตนะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วหรือไม่ ทรงทราบแล้วจากเสด็จไปขอเดชะขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดนะให้กระว่าให้ทหารไปสืบดูก่อนเถอะว่าจริงหรือเปล่าอ่ะกันพระเจ้าปุกุษาติก็บอกว่าเราเชื่อพระสหายของเราเรากับพระสหายนั้นไม่มีความต่างกันพวกเจ้าจงหยุดเถิดเนี่ยนะอมามัดไม่ต้องพูดมากแล้วอ่ะกันอมามัดเหล่านั้นก็ติดตามเสด็จนั่นเทียวกุลบุตรก็ทรงเอาทานพระกรเนี่ยขีดเป็นตัวหนังสือตรัสว่าราชสมบัตินี้เป็นของใคร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 ในทางความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนยังเวลาให้ผ่านไปด้วยความยินดีในฌานเพราะฉะนั้นเขานั่งพักที่ไหนท่านก็นั่งเข้าฌานที่นั่นก็เลยมีความสุขอยู่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่ออรุณนขึ้นแล้วทําการปฏิบัติสรีระเดินติดตามพวกพ่อค้าไปอีกในเวลาอาหารเช้าพวกพ่อค้ารับบาดของกุลบุตรแล้วก็สายขาธิยโภชนยะลงในบาดถวาย ขชินียะและโภชินียะนั้นเป็นข้าวสารดิบบ้างเศร้ามองบ้างก็ผู้ชายหงข่้อน่าจะไปคิดอะไรมากมายนะหงไปสุกบ้างไม่สุกบ้างนี่แหละแกงเสมอกับก้อนกรวดบ้างนะนะแข็งเสมอกับก้อนกรวดบ้างนะเจดบ้างแล้วก็เค็มจัดบ้างะนะวันไหนนึกเค็มก็เค็มจี๊ดเลยนะวันไหนนึกเปรียปร้ยวก็เปรี้ยวมากบ้างบางวันก็ไม่สุกบางวันก็แฉะอย่างเงี้ยนะ มันกลบบทพิจารณาสถานที่พักบริโภคขาชนิยะและโพชนิยะนั้นดุดอมฤตโดยทานองนั้นเดินทางสิ้น200รอยโยต์ต่ำกว่าแดก็คือหนึ่งรย้าสิบอโยตนะ์นก็โอ้เป็นพันกิโลน่เนี่ยไม่ไม่ไม่ด้ใกล้ๆเลยเป็นพันพันกิโลนะน ป, น 1, 000, 000ลนะปากีสถานมาม า, มาราชครึกราชครึกเนนับว่าอยู่ตอนใต้ของประเทศนะจากปากีสถานมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใกล้เนะเดินทางเท้าเปล่าเนี่ยไกลามาก แม้จะเดินไปใกล้ซุ้มประตูพระเชตวันก็ตามก็ไม่ถามว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนอันที่จริงเดินมาจากทางโน้นมาก็ต้องผ่านเมืองสาวัตถีก่อนนะเพราะว่าเมืองราชครึกเนี่ยอยู่ตอนทางตอนใต้ไปอีกถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเคารพในพระศาสดาและเพราะอำนาจแห่งพระราชสารที่พระราชาเนี่ยทรงส่งไปก็พระราชาเนี่ยทรงส่งพระราชสารไปทรงทำดุตพระศาสดาเนี่ยทรงอุบัติขึ้นในเมืองราชครึก ว่าพระตถ า, าคตอุบัติขึ้นในโลกฟังเหมือนว่าพระพุทธเจ้านี่เกิดที่เมืองราชครึกพระองค์ไม่ได้เสด็จเมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นจึงไม่ถามเดินทางไปสิ้นจากจากเมืองสาวัตถีเนี่ยนะไปเมืองราชครึกอีก45่สิบหโยศซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้ารับกิจนิมนต์เนี่ยนะรับนิมนต์จากอนนาทาบินทิกาเนี่ยพระองค์เดินทางเนี่ยสีวันก็พักคืนละโยศ ล, ละคืนโยละคืนเนี่ยนะพักไป แต่ว่าท่านก็เดินทางไปในเวลาพระอาทิตตกกุลบุตรนั้นก็ไปถึงพระนครราชครึกนะนครับวันนี้ก็คือเดินทางอะนะข้ามไหนก็นอนนั่นไปเรื่อยอย่างไงถามว่าอนะพอไปถึงเมืองราชครึกก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนนะชาวบ้านก็เลยถามว่าพวกท่านเนี่ยมาจากที่ไหนขอรับว่างั้นบอกมาจากอุตรประเทศมาจากตอนเหนืออุตระแปลว่าตอนเหนือนะหรือตอนบน น, นะ พระนครชื่อว่าสาวัตถีมีอยู่ในทางที่ท่านมาไกลาจากพระนครราชครึกนี้ประมาณสี่สิบห้าโยชน์ภาษาสดาประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีนั้น น, นะเขาบอกโอ้ยเดินเลยมาตัง้งสี่สิบ้าโยชน์นะนะไม่ใช่เลยใกล้ๆนั้นเลยไกลมากเลยนะกุลบุตรนั้นก็คิดว่าบัตรนี้ไม่ใช่การเพราะค่ําพอดีนะเราไม่อาจากลับในวันนี้พักอยู่ในที่นี้ก่อนพรุ่งนี้จะไปสู่สํานักภาษาสดา แปลงนะั้นไม่คิดถึงพระเจ้าปิมพิสารแม้แต่นิดเดียวเลยนะคิดถึงพระพุ้แต่เจ้าอย่างเดียวแต่นั้นก็ถามว่าถามว่าเหล่าบรรพชิตที่มาถึงในยามวิกาณะที่จะพักที่ไหนประมาณปกตินะที่ใครมาถึงในกลางคืนเนี่ยเขาจะพักที่ไหนบอกว่าพักณนะสารานายช่างหม้อช่างหม้อท่านประัาณลาดับนั้นกุลบดานั้นก็ขอพักกับนายช่างหม้อนั้นแล้วก็เข้าไปนั่งเพื่อประโยชน์แก่การพักอาศัย ในศาลาของนายช่างหม้อนั้นในเวลาใกล้รุ่งวันนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นกุลบุตรชื่อว่าปกกุสาตนะิก็พระองคแผ่ขายพยานใช่ไหมด้วยอาสยานุนสยายานอินทรียะโปรประยะตยานก็ส่องดูก็เห็นปกกุศลสตินี่ปรากฏขึ้นก็ดำริว่ากุลบุตรนี้อ่านเพียงศารที่พระสหายส่งไปละราชสมบัติใหญ่เดินทางเกินร้อยยศบวชอุทิศ อยู่ทิศแปลว่าเจาะจงเราเดินทางสิ้น192ยิโยธถึงเมืองราชครึกก็เมื่อเราไม่ไปจกไม่แทงตลอดสามัญญผลสามจะทา ก, ทการลกิริยาไร้ที่พึ่งโดยการพักคืนเดียวเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ไปเนี่ยยังไงพรุ่งนี้เขาก็ตายอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันสิ้นอายุไขะนะแล้วก็คู่เวรของเขาจะมาฆ่าพรุ่งนี้พอดีเพราะฉะนั้นโดยประการใดพรุ่งนี้เขาก็ต้องตาย นั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมนี่ก็ตายฟรีเหมือนกันตายเปล่าไม่เปล่านะเกิดในพรหมโลกนั้นก็ได้ชานสี่แต่คําว่าเปล่าหมายถึงว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ครั้นเมื่อเราไปแล้วจักแทงตลอดสามมันจผลสาคือเป็นพระอนาคามีก็เราบําเพ็ญพระบารมีทั้งหลายสิ้นสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับก็เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ชนเท่านั้นบําเพ็ญบารมีก็เพื่อประสงค์จะให้เขาได้บรรลุมรรคผลน่ะนะ เราจะทำการสงเคราะห์แก่กุลบุตรปกกุศาตินั้นถ้าไปก็เขาจะได้มรรคผลก็เลยเสด็จไปดังนี้ก็ทําการปฏิบัติพระสรีระแต่เช้าตรูมีพระภิสุสง์แวดล้อมเสด็จไปบินทบาทในกรุงราชครึกภายหลังพระเสด็จกลับจากบินทบาทเสด็จเข้าพระคันธกุตีทรงระับความลําบากในการเดินทางครู่หนึ่งทรงพระดเริว่ากุลบุตรได้ทํากิจที่ทําได้ยากเพราะความเคารพในเรา และราชสมบัติเกินหนึ่งรยโยต์ไม่ถือเศษผ้าโดยที่สุดแม้คนผู้ให้น้ําบ้วนปากออกไปเพียงคนเดียวดังนี้ก็ไม่ตรัดอะไรในพระเถระทั้งหลายมีภาษาริบุตรและพระโมคขลานะเป็นต้นพระองค์เองเนี่เสด็จถือบาและจีวรของพระองค์เนี่ยเสด็จออกไปเพียงพระองค์เดียวและเมื่อไปก็ไม่ได้ทรงเหาะไปไม่ได้ทรงย่นแผ่นดินทรงดําเรีอีกว่า กุลบุตรละอายต่อเราไม่นั่งแม้ในยานหนึ่งในบรรดายานช้างยานม้ารถวอทองเป็นต้นโดยที่สุดไม่สวมรองเท้าแม้กระทั่งรองเท้าชั้นเดียวไม่กางร่มกระดาษออกไปแม้เราก็ควรไปด้วยเท้าเท่านั้นก็เสด็จไปด้วยพระบาทพระองค์นี้ทรงปกปิดพระพุทธสิริคืออนุพยัญชนะ80สิประสมีหนึ่งวามหาุธธริศลักษณะส2เสด็จไปด้วยเพศของภิกษุรูปหนึ่ง ก็คือเหมือนกับว่าไม่มีใครรู้จักกันนะเหมือนกับว่าปลอมตัวไปะนะไม่เพราะว่าไม่ได้ทําให้ปรากฏองั้นนะโดดพระจันทร์เพนที่เมฆหมอกปิดไว้ฉะนั้นโดยปัจฉาพัดเดียวเท่านั้นก็เสด็จไปได้สี่สิบห้าโยชนะก็ออกตั้งกับสายสายนิดหนึ่งะนะก็ไปถึงเมืองราชครึกเย็นพอดีเลยสี่สิบห้าโยก็ร้อยกว่ากิโลนะเไม่ใช่ร้อยกิโลเลยหลายร้อยกิโลเลยแหละหกร้อยกว่ากิโลนะก็ 6700เนะก็เชียงรายกรุงเทพมั้งเนาะก็เสด็จถึงศาลาของนายช่างหม้อนั้นน่ะในขณะที่กุลบุตรเข้าไปแล้วนั่นแรละท่านหมายถึงศาลาของนายช่างหม้อนั้นจึงกล่าวโดยว่าก็โดยสมัยนั่นแลกุลบุตรเชื่อว่าปุกุศลสติมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตอุทิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปพักในนิเวศของนายช่างหม้อนั้นก่อน ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าแมเสเดชเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่สงคมขู่ว่าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเข้าไปยังเออเสดชเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อประทับยืนที่ประตูนั่นแหละเมื่อจะให้กุลบุตรนั้นทำโอกาสนนะซึ่งกุลบุตรก็ได้ทำโอกาสว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงอยู่เป็นสุขตามอิริยาบทที่มีความผาสุกเทอเนี่ยนะก็คือเข้าไปขอพักกันนะ กุศลติก็อนุญาตว่าตรงไหนพระศุก็เชิญเธอเหมือนกันก็กุลบุตรละราชสมบัติเกิน100โยยอดแล้วบวชจักตณีสาลาของนายช่างหม้อที่คนอื่นทอดทิ้งเพื่อพรหมจารีอื่นหรือนะก็คือเรียกว่าแผ่นดินทั้งหมดยังสละได้นะไก่แค่กระท่อมหลังเดียวเนี่ยมาพักอยู่ด้วยกันทํำไมจะสละไม่ได้ทีนี้ก็เปรียบ ว, ว่าโมฆะบุรุษบางพวกที่บวชมาในศาสนานี้นะพวกคนเปล่านะก็คือไม่มีคุณธรรมอยู่ภายในเนี่ย ถูกความตรนีทั้งหลายครอบงำมีความตนีอาวาสเป็นต้นก็ย่อมตะเกียกตะกายเพราะอาวาสของบุคคลเหล่าอื่นว่าเป็นสถานที่อยู่ของตนเป็นกุฏิของเราเป็นบริเวณของเราจริงก็บวชมาก็ตัวเปล่าใช่ไหมชาวบ้านชาวเมืองเาก็สร้างกุฏิสร้างอะไรให้ตัวเองเข้ามาอยู่ก็ว่านี่วัดเรากุฏิเราอะไรก็ไม่ยอมให้คนอื่นพักะนะก็ด้วยอานาจของอาวาสมัชริยะนี่แหละ พอมาถือว่าขาดทุนชีวิตมากเลยนะหวงกันเนี่ยของตัวเองก็ไม่ใช่อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าขนาดนั้นก็หวงแค้นะจริงๆมันก็สมบัติหลวงนั่นแหละบทว่า น, นิสีที่ความว่าพระโล ก, กนาตทรงสุขุมารชาติอย่างยิ่งทรงละพระคันทู ก, กุตีเป็นเช่นกับเทพวิมานทรงปูราสันทัศน์คือย่าในศาลาของช่างหมอ้อที่มีขี้เถ้าเรี่ยราดไปทั่วอันศาลาช่างหมอ้อก็รู้แล้วใช่ไหมขี้เท่าก็มีแต่ขี้เท่าฟางอะ่ะที่เขาเอามาเผาเผามอ้อะนะ ก็เคยไปที่โรงงานช่างหม้อทั้งหลายเนี่ยก็จะมีขี้เท่านะมีขี้เท่ามีขี้แกลบที้ราทั้งหลายก็ไว้เผาเผาหม้อนะไมาเชื่อก็ไปแถวหางดงดูก็ปูสันทัศน์คือหญ้าในสาราช่างหม้อมีขี้เท่าเรี่ยราดไปทั่วสกปรกด้วยภาชนะแตกหญ้าแห้งขี้ไก่และขี้สุกรเป็นต้นนะนะโอ้ไก่สุกรอินเดียไม่ต้องแปลกใจเราไปได้ทั่วไปหมด เป็นเช่นกับที่ทิ้งขยะพอง ก, ก็ทรงปูปังสุกุลจีวอนประทับนั่งดุจเสด็จเข้าสู่พระมหาคันทกตุตีที่มีกลิ่นทิพย์เช่นกับวิมานอันประดับแล้วประทับนั่งฉะนั้นด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในมหาสมมติวงอันไม่เจือปนแม้กุลบรก็เจริญแล้วในขตัตยคันก็คือเป็นกษัตริย์ทั้งคู่นะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยพี่นิหารคือพี่ผู้มีบุญเก่าทําบุญไว้แล้วเนี่ยนะทำบุญตั้งความปรารถนามาเป็นอย่างดีแม้กุลบุตรก็ถึงพร้อมด้วยพี่นิหารคือทําบุญแล้วตั้งความปรารถนามาเป็นอย่างดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีกุลบุตรก็ดีต่างก็ทรงสละราชสมบัติออกบวชแม้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีผ้าผิวพันเหมือนทองคําแม้กุลบุตรก็มีผิวเหมือนทองก็แสดงว่ารูปงงามทั้งค well, ู่นะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีกุลบุตรก็ดีทรงมีลาบคือสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ได้ฌานสมาบัติพละสมาบัตินิโรสมาบัตินะแต่กุลบุตรก็ได้ฌานสมาบัติสรุปว่าทั้งสองเป็นกษัตริย์ทั้งสองถึงพร้อมด้วยอภินิหารคือทําบุญปรารถนาไว้แล้วทั้งสองก็บวชจากราชสกุลทั้งสองก็มีผิวเหมือนทองทั้งสองก็มีลาบคือมีสมาบัติทั้งคู่เสด็จเข้าสู่ศาลาของ ช่างหม่อแล้วก็ประทับนั่งด้วยประการชนิด้วยเหตุนั้นศาลาช่างหม้อจึงงดงามอย่างยิ่งพึงนำสถานที่ทั้งหลายเป็นต้นว่าถ้ำที่พญาสัตว์ทั้งสองมีสีหะเป็นต้นเข้าไปเปรียบเทียบเถิดก็บอกว่าเหมือนกับถ้ำ ท, ที่เสืออยู่สองตัวเนี่ยนะเหมือนถ้ำทองที่มีช้างอยู่สองตัวเป็นต้ น, นนะเขาก็เปรียบลักษณะนี้ก็บุคคลทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงยังแม้พระรอฤิทัยให้เกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้สุขุมละชาต เดินทางมาสิ้น45โยดแม้โดยเวลาหลังพัดเดียวควรสําเร็จศีหาสายญาสักครู่ก่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทางฟองไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมเสด็จเข้าพระสมาบัติแต่ของเราก็ขอบเอะเคนเกสักก่อนนะนะให้หายเมื่อยอ่ะนะฟองไม่ใช่นะฟองนั่งเข้าพระสมาบัติฝ่ายกุลบุตรก็ไม่ยังจิตให้เกิดขึ้นว่าเราเดินทางมาสิ้น192โยดควรพัก บรรทาความเหนื่อยในการเดินทางสักครู่ก่อนก็นั่งเข้าอาณาปานะจตุทชานนั่นแหลพระพุทธเจ้าเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมปกุสาติก็เข้าจตุทชานมีลมหายใจเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ท่านหมายถึงการเข้าสมาบัติจึงกล่าวว่าอาทัทโขพควาพระโหเทวะรัติงเป็นต้นถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาด้วยพระดําริว่าเราจะแสดงธรรมแก่กุลบุตรมิใช่หรือเพราะเหตุไรจึงไม่แสดงเล่า ตอบว่าที่ไม่ทรงแสดงเพราะเหตุว่ากุลบุตรมีความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางยังไม่สงบประงับอ น, นะเดินทางมาเหนื่อยมาก น, นะร่างกายมันยัง อ, อ่อนเพลียอยู่จากไม่อาจเพื่อจะรับพระธรรมเทศนาได้ขอให้ความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางของกุลบุตรนั้นระงับก่อนส่วนอาจารย์บางพวกก็บอกว่าโหเมืองราชครื่อนี่เสียงดังอึกทึกคลุกโครมไปหมดบอกอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์รอกเพราะพระพุทธเจ้ายังไงก็ทําให้เสียงนี่เงียบได้ แต่ที่พระองค์ต้องรอนี่เพราะว่ารอให้ร่างกายนี้ระงรับจากความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะประมาณสองยามสองยามครึ่งก็คือประมาณเที่ยงคืนไปแล้วหลังเที่ยงคืนเนี่ยพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพร ะ, ะสมาบัติลืมพระเนตรที่ประดับประดาด้วยประสาท5อย่างแลดูดุดทรงเปิดสีหบัญชรแก้วมณีในวิมานทองฉะนั้นคือลืมตาดูนะลืมตาที่ใสมองดูนะ ของคนนอนหลับถนัดเลยนะตื่นลืมตาก็ขี้ตาเคลอะเลยใช่ไหมแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนะี่ยเข้าสมาบัติลืมตาก็ใสเลยลําดับนั้นพระองค์ทรงเห็นกุลบุตรปราศจากการขนองมือขนองเท้าและการสั่นศีรษะคือปกติเนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้านั่งหลับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโยกซ้ายโยกขวาโยกไปเรื่อยนะพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นแหละนั่งเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังไว้เป็นอย่างดีเหมือนพระพุทธรูปทองไม่วันไหวเป็นนิจฉะนั้น บทว่าปาสาทิโกคือนำมาซึ่งความเลื่อมใสก็คํานั้นเป็นภาวานัตปงสะลิงในคํานั้นมีเนื้อความดังนี้ว่ากุลบุตรย่อมเป็นไปด้วยอิริยาบทอันน่าเลื่อมใสเพราะฉะนั้นอิริยาบทเป็นกิริยาที่น่าเลื่อมใสโดยประการใดก็ย่อมเป็นไปโดยประการนั้นในบรรดาอิริยาบททั้งสี่เนี่ยนะอิริยาบทสามอย่างไม่งามเช่นเดินเนี่ยนะพิสุเดินไปมือทั้งหลายย่อมแกว่งเท้าทั้งหลายก็ย่อมเคลื่อนไปศีรษะย่อมสั่น อันนั้นก็แสดงว่ายอะเดินก็ไม่งามกายของพิสู้ยืนย่อมแข็งกระด้างอิริยาบถแม้ของพิสูผู้นอนก็ไม่น่าพอใจแต่เมื่อภิกษุปัดกอดที่พักกลางวันในปัจชามพัดปูแผ่นหนังมีมือและเท้าชำระล้างดีแล้วนั่งคาสมาที่อันประกอบด้วยสมทิสี่นั่นเทียวอิริยาบถย่อมงามมันก็ถ้านั่งแบบนั่งคาสมาเนี่ยนะก็งามเหมาือนกัน ก, กุลบุตรนี้นั่งขัดสมาธินั่งเข้าอานาปานะเจตุทชาญก็มีเข้าฌานสี่มีลมหายใจเป็นอารมณ์กุลบุตรประกอบด้วยอริยาบทด้วยประการชนี้แลเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ปริวิตรกว่าคือคิดขึ้นว่ากุลบุตรน่าเลื่อมใสหนอถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปริวิตรกว่าเอาเถิดเราควรจะถามดูบ้างแล้วก็ตรัสถามเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงรู้ความที่กุลบุตรนั้นอ่ะเป็นผู้บวชอุทิศ คือไม่รู้หรือว่าเข้าบวดเจาะจงพระพุทธเจ้าตอบว่าพระองค์ไม่รู้ไม่รู้ก็หาไม่ได้แปลว่ารู้อยู่แต่ถ้าเมื่อไม่ตรัสถามถ้อยคําก็ไม่ตั้งขึ้นเมื่อถ้อยคําไม่ตั้งขึ้นแล้วการแสดงธรรมก็ย่อมไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ถามก่อนเพื่อให้ถ้อยคํเนี่ยตั้งขึ้นบทว่าทิสวาปาหังนชานยังความว่าชนทั้งหมดย่อมรู้พระตถาคตผู้รุ่งโรดด้วยพุทธสิรินี้ว่าพระพุทธเจ้า การรู้นั้นไม่น่าอัศจรรย์นนะคือถ้ามาแบบเปล่งรัศมีเป็นต้นนะนะที่ไม่รู้ น, นะหรือการรู้แบบนั้นก็ไม่น่าอัศจรรย์อะไรแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปกปิดพระพุทธรัสมีเสด็จไปด้วยอํานาจของพิสูจน์ผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งจึงรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นกุลบุตรปกครองสติก็กล่าวตามความเป็นจริงว่าเราไม่รู้ด้วยประการชนีคือถึงเห็นก็ไม่รู้ น, นะว่าเห็นแล้วเป็นยังไงก็ไม่ทราบว่างั้น เป็นความจริงอย่างนั้นท่านปกุษาติไม่รู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้กระทั่งประทับนั่งณนะสาราช่างหมอ้อก็จะรู้ได้ยังไงนะเพราะว่าพระองค์ไม่ได้มาแบบเีวไม่ได้มาแบบพระพุทธเจ้านะก็มาแบบพระพิสุรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ บทว่าเอตาทะหโสิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางสงบประงับแล้วจึงทรงมีพระดําริบทว่าเอวามาวุโสความว่ากุลบดได้อ่านสักว่าสารที่พระสหายส่งไปสละราชสมบัติออกบวช ด, ด้วยคิดว่าเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะของพระทศพลครั้นบรรประชาแล้วก็เดินทางไกลประมาณนี้ก็ไม่ได้พบพระศาสดาผู้ตรัสสักบทว่าดูก่อนภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่ท่าน กุ่บุตรนั้นจักไม่ฟังคําที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่ท่านโดยเคารพหรืออันที่จริงเนี่ยนะเหมือนกับว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสแบบอะไรนะด้วยเพศของพระพุทธเจ้าใช่ไหมมันก็น่าฟังหน่อยแต่นี้ไม่รู้เลยจะแสดงธรรมให้ฟังถามว่าจะฟังโดยคารพหรือไม่ก็บอกคารพอุปมาเหมือนอย่างว่ากุ่บุตรนี้เป็นเหมือนนักเลงสุราที่กระหายบอกท่านนักเลงเล่าเนี่ยนะแมถ้าไปเจอกันเนี่ยโหถ้าใครรินให้เอามาเหอะ เหมือนช้างที่ตกมันฉะนั้นเพราะฉะนั้นกุลบรเมื่อปฏิญาณถึงการฟังโดยความเคารพจึงกล่าวว่าอย่างนั้นอวุโสเอวามาวุโสเนี่ยแปลว่าอย่างนั้นแหละอวุโสแั้นก็พระองค์ก็จะแสดงธรรมส่วนแสดงว่ายังไงก็แสดงพรุ่งนี้เนาะวันนี้เลยยังไม่ได้แสดงธรรมเลยนะเล่าเรื่องราวเฉยๆหมดเวลาไปแล้ว